วันนี้ใครๆก็หนีเด็กถือเป็นวันเด็กเนาะ <c oughs> พวกนี้ยังโตนะหลวงพ่อหัดภาวนาทีแรกเล็กกว่า น, นี้หลวงพ่อหัดตั้งแต่เจ็ดขวบแต่ได้แต่สมถะทําแต่ความสงบ <c oughs> พวกเราใคยรู้จักหลวงพ่อสุจินไหมจักท่านลูกศิษย์หลวงปู่ดุลตอนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุลเนี่ยท่านบวชอยู่กับหลวงปู่ดุลแล้ว มีวันหนึ่งพ่อพระก็มาจูงมือหลวงพ่อไปบอกมารู้จักหลวงปู่แหวนน้อยไหมถามเป็นยังไงหลวงปู่แหวนน้อยท่านฉายาสุจินโนนะท่านพระใจเด็ดนะหลวงพ่อเคยตอนนั้นหลวงพ่อไม่บวชท่านอยู่ที่ท้องนาที่ปฐุมไปกราบท่านโอ้ท่านเดินจงกรมอยู่กลางแดดเลยตัวน้ําไหมเลยตัวผิวน้ลอกเป็นชั้นชั้นชั้นไหมเกลี่ยม ถามว่าโอ้ยหลวงพี่ทำไมภาวนามันทุกข์เยอะเลยทุกข์ทรมานจังเลยท่านบอกท่านทุกข์เพื่อจะพ้นทุกข์พวกเราต้องเอาอย่างภาวนาแล้วกลิ้งไปกลิ้งมากินกินนอนๆนอนๆนอนเพื่อจะเป็นพระอระหันต์ไอ้กลิ้งไปกลิ้งมาแล้วหันนะั่นมีแต่หมูหันนะไม่มีหรอกพระอระหันต์มีแต่ต้องสู้เอาต้องทำเอาของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มี ต้องทํเอาเองทั้งสิ้นเลยแต่บางคนมีของแถมอย่างภาวน า, เ, าเข้าใจธรรมะแล้วก็มีของเล่นของแถมมีปิญญามีอะไรต่ออะไรของแถมจริงๆก็ไม่มีดนั้นท่านเคยทำของท่านมาก่อนพอท่านได้ธรรมะแล้วมันกลับมาเนื่งทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยต้องทําเอาเองทั้งสิ้นไม่มีของฟรีของแถมของแจกไม่มีต้องเอา กำลังกายเอากำลังใจแลกมาทั้งนั้นเอาแต่ความสุขสบายไม่ได้กินหรอกคนะรูบาอจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นะถ้าเรารู้จักท่านหรือรู้ประวัติท่านท่านก็ลมลุ ก, ล, กลุกคลานมาแล้วทั้งนั้นไม่มีหรอกง่ายๆนะถ้า ง, ง่ายก็หมายถึงชาติก่อนยากมาแล้วอย่างหลวงุู่เทศนะภานาเดินทุดดงอ่เที่ยวตามหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นนีไปอยู่ภาคเหนือ ท่านคิดถึงครูบาอาจารย์ท่านก็เที่ยวหาไปปีนภูเขาไปตกภูเขาหน้าแข้งเนี่ยกระแทกก้อนหินนะเป็นแผลลึกเลยไปท่านต้องล้างล้างแล้วรีบเดินนะถ้าท่านอยู่ที่เดิมท่านไม่แข็งใจเดินออกมาท่านก็ต้องตายอยู่ตรงนั้นเลยลอดทนมากเลยเดินออกมาถึงหมู่บ้านถึงอะไรมาถึงหมู่บ้านนะเขาใส่บาดไม่เป็นเนี่ย เรทำบุญทำทานไม่เป็ดนะโอ้ยลำบากครูบาจารย์บางองค์ก็หลงป่าลำบากพวกเราถ้าไม่หวังถึงขั้นเป็นพระอรหันต์นะไม่ต้องลำบากขนาด น, นั้นนะแต่ว่าอย่าขี้เกียจถ้า ด, ดูจิตดูใจของตัวเองเรื่อยเื่เบื้องต้นไม่ยากนักหรอกขั้นโสดาสกถาคาไม่ยากเกินไปคารวะทำได้ดูจิตดูใจไป แต่บางคนเขาเชื่อแปลกนะบอกว่าเบื้องต้นต้องดูแต่กายอย่างเดียวได้พระอนาคาคาแล้วค่อไปดูจิตคิดว่าเป็นสูตรไต่ตัวไม่ไตยตัวหรอกบอกว่าต้องดูกายถ้าดูกายไม่ได้ก็ได้ธรรมะไม่ได้ครูพเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นใครถนัดดูกายก็ดูกายไปดูกายถูกต้องสติสัมมาสมาธิแล้วก็ปัญญาก็เกิดขึ้นดูจิตถูกต้องนะสติสัมมาสมาธิปัญญาชนิดเดียวกันก็เกิดขึ้น วิมุตต์อย่างเดียวกันก็เกิดขึ้นในปริยัติก็สอนไม่ตรงกั น, นผู้ปฏิบัติที่ดูจิตรวดเดียวมาเลยก็มีอย่างในหนังสืออะไรนะหยดน้ําบนใบบัวใช่เปล่าไม่รู้ของอาจารย์มหาบัวก็พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ภาวนาแล้วก็อาจารย์มหาบัวไปเล่าให้พระฟังว่าผู้หญิงคนนี้ก็ภาวนานะถ้าเป็นพระเนี่ยท่านไล่ไป พป่าภาวนาเอาตัวรอดให้จบเลยในชีวิตนี้ไม่ต้องมาเกิดปราคนว่าผู้หญิงคนนี้ภาวนามาด้วยกันดูจิตนั้นดูจิตมาตลอดอาจามหาบัวท่านก็รับรองไม่เห็น ม, มีปัญหาอะไรเลยคนที่มีปัญหาเนะี่พวกภาวนาไม่เป็นดง้นการภาวนานะ่เบื้องต้นจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้นะอะไรก็ได้สุดท้ายก็ไปถึงทำอันเดียวกันหมด ในคมภีก็สอนอย่างนั้นในอรพิธรรมก็สอนอย่างนั้นบกายเวทนาจิตธรรมเหมือนประตูเมืองสี่ทิศเข้าประตูใดประตูหนึ่งก็เข้าเมืองได้ละในพระใจปิดกก็มีร่องรอยของพระที่ท่านบรรลุธรรมด้วยวิธีต่างๆกันเยอะแยะอย่างพระนนทนะท่านดูกายจนคืนสุดท้ายเลยบรรลุพระอรหันตะ์ด้วยการดูกายพระสารีบุตรนะันั่งพัดพระพุทธเจ้าแล้วดูเวทนา บรรล้พระรู้เวทนาเห็นแจ้งในเวทนานรู้ทันเวทนาจิตจะพ้นความปรุงแต่งบางท่านอย่างพระนุรุตเนี่ยท่านดูจิตเนี่ยท่นดูจิตตัวเองนะจิตมีกิเลสอะไรขึ้นมาท่านรู้ทันนะท่านก็เป็นพระอระหันต์ขึ้นมาฉะนั้นบนรรู้ไม่ใช่ว่าเบื้องต้นต้องอันหนึ่งเบื้องปลายต้องอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่กายเวทนาจิตทำใช้ได้หมดเลยไม่ใช่เบื้องต้นต้องดูกายไม่ใช่เบื้องปลายต้องดูแต่จิตนะ อันนั้นเป็นบางท่านเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวใ น, ในพระไตรปิฎกก็มีทุกรูปแบบาการภาวนาเนี่ยใครถนัดดูกายให้ดูกายดูกายเป็นสติจะเกิดสัมมาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจจะเกิดวิมุติมันก็เกิดคือหมดความยึดถือกายยึดถือใจ โดยจิตถูกต้องนะสติที่แท้จริงก็เกิดสัมมาสมาธิก็เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจขึ้นมาก็าเกิดไม่ใช่รู้แต่ใจนะดูกายถูกต้องก็รู้ทั้งกายทั้งใจดูจิตถูกต้องก็รู้ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่รู้อันเดียวท่านรู้อย่างเป็นวิหารธรรมจิตทิ้งจากวิหารธรรมไปรู้อันอื่นก็เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่บังคับเนื่อนการภาวนานะทางกายทางมันทําถูกต้องแล้วสติสมาธิปัญญาวิมุตต์ชนิดเดียวกันนะั้นเกิดขึ้นมาเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเดียวกัน อันนี้สําหรับคนที่มุ่งจะไปพระนิพพานในชีวิตนี้นะก็ภาคเพียนเอายังมีธุระทางโลกอยู่ยังไม่หมดภาร ะ, ระนั้นก็ทํางานไปภาวนาไปเป็นใดหมดภา ร, ระก็ไปบวชเอาบวชแล้วอย่านึกว่าจะบรรลุง่ายนะพระตกนรกเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะแต่ว่าเป็นพระนี่จะมีข้อดีภาวนาในขั้นละเอียดง่ายโยมภาวนาในขั้นที่ละเอียดขึ้นเป็จริงลำบากมากเลย เพราะว่ามันมีแต่ผัสสะที่หยาบหยาบรุนแรงเวลาที่จะสนใจรู้กายรู้ใจให้ต่อเนื่องจริงๆนะยากสําคัญที่ความต่อเนื่องโยมขาดความต่อเนื่องแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากนะโสดาสกตาคาเนี่ยเราดูๆของเราไปอย่างเนี้ยคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อไปได้อยู่ได้แล้วใครอยากจะถึงที่สุดในชีวิตนี้ก็ไปบวชเอาภาวนา ไม่ไม่เหลือวิสัยนะธรรมะไม่ยากไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทําได้น ะ, ะต่อไปตรวจกันบ้านในีหลวงพ่อเทศ ร, รอนะเนี่ยเรามางคนรับประทานช้านะอา้าวพวกอยู่วัดเชิญส่งกันบ้านคนนอสการ์ค่หลวงพ่ อ, อ, อคือว่าได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีหนึ่งนะคะแบบจริงจังแล้วก็ควบคู่กับการฟัง ธรรมมาจากครูบาอาจารย์แน ว, วัดป่านะคะช่วงแรกก็ตามรู้กายรู้ใจไปนะคะแล้วก็รู้สึกกับตัวเองว่าเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะหลวงพ่อแต่ที่นี้มาช่วงหลังๆมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้กันพิจารณากายแบบ เ, เ, เกษารโลมาแบบอัสุภะอะคะ่ะแต่ทีนี้พอจะเอามาใช้เนี่ยมันยังแบบผสมกันไม่ค่อยถูกอะคะ<ส>่ะไม่ได้เก<อ>สารโลมานี่เรียกกายคตาสติ แ ก, กตาสติเป็นการทําสมถะนะไม่ใช่วิปั ส, สนาหลวงพุทธเทศเน์ท่านสรนชัดเลยบอกว่าการคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภาพเนี่ยทำไปเพื่อแก้อาการของจิตเป็นสมถะการคิดพิจารณาร่างกายนะเป็นาธาตุเป็นขันธ์เนี่ยหรือว่าพิจารณาความตายก็เพื่อแก้อาการของจิตเป็นสมถะนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหรเราหัดรู้สภาวะได้แล้วเราก็รู้สภาวะไป ดูกายดูใจเขาทำงานไปต้องแยกให้ถูกนะบางคนมัวซั่วถ้าเบื้องต้นนะทำความสงบเข้ามาแล้วจิตติดความสงบอยู่ตรงนี้แหละจำเป็นต้องมาพิจณากายผมคนเล็บฟันหนังเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตติดเฉยเมื่อจิตไม่ติดความสงบไม่ติดความเฉย น, นะต้องจเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากรู้การยืนเดินนั่งนอนรู้หายใจออกหายใจเข้า เห็นจิตทำงานเห็นกายทำงานดูไปเรื่อยถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตหลวงปู่มั่นสั่งอย่างนี้นะดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายนี่หลวงปู่สุวัตบอกหลวงพ่อมาวัดท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูกายไม่ได้ทําความสงบเข้ามานะเรื่องของคุณถ้าวันไหนดูจิตได้ก็รู้ทันจิตไฟวันไหนรู้ทันจิตไม่ได้เห็นกายยืนเดินนั่งนอนดูกายไม่ใช่คิดเรื่องกายนะ ดูกายจริงๆคิดเรื่องกายกับดูกายจริงๆคนละเรื่องกันวันไหนดูกายก็ไม่ได้ดูจิตที่ไม่ได้ก็ทําความสงบเข้ามาแต่ทุกวันก็แบ่งเวลาทําสมาธบ้างอย่าทิ้งนะสมถะแต่เรามั่นระวังอย่าให้ใจถลำลงไปเพ่งหลวงพ่อเสียเวลาทำสมาธิยีสิบสองปีไม่เกิดปัญญาสมาธไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาแต่สมถธิเป็นเครื่องสนับสนุนให้ใจมีแรงที่จะเจริญปัญญาเป็นตัวสนับสนุนไม่ใช่ตัวหลัก ตัวหลักคือการเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอาจารย์มหาบัวก็เคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปลงปัจจุบันท่านบอกใช้ปัจจุบันนั่นต้องอย่ามั่วนะคราวหนึ่งลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุลแล้วก็ไปถามท่านหลวงปู่ครับผมต้องมาพิจารณ์กายไหมพอไปที่ไหนใครๆก็พิจรารณ์กายท่านบอกเข้าพิจารณากายเพื่อให้เห็นจิตถ้าภาวนาถึงจิตแล้วไปเอาอะไรกับกาย กลายเป็นของทิ้งแล้วก็เชื่อท่านนะเราก็ดูของเรามาเรื่อยๆเข้าไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาทางกายไม่เห็นมีองค์ไหนว่าส่งองเลยมีแต่สอนต่อยอดให้ทุกองค์เหมือนอย่างผู้หญิงที่ว่านั้นเนะนีเ่ยภาวนาก็ดูจิตอย่างเดียวแล้วก็หลวงพ่ออย่าไปเข้าใจผิดนะว่าหลวงพ่อสอนให้ดูจิตหลวงพ่อสอนให้เจริญสติ เรามีสต you know ิแล you know <go> <go one 2019> ้วเนี query, ่ยคนไหนถนัดรู้กายก็รู้กายคนไหนถนัดรู้เวทนาก็รู้เวทนาคนไหนถนัดรู้จิตก็รู้จิตรู้แบบเป็นวิหารธรรมคือรู้เนืองเนืองแต่ไม่ใช่ว่าห้ามไปรู้อย่างอื่นงั้นดูจิตถูกต้องก็รู้กายนะดูกายถูกต้องก็รู้จิตคนที่ดูจิตอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยไม่ใช่ว่าไม่รู้กายนะขนาดนอนหลับยังรู้เลย ถ้าดูกายถูกต้องก็รู้ฐานจิตนั่นเดียวกันนะันี่บางคนไม่เข้าใจเข้าใจตรงนี้เถียงไปไปเรื่อยๆเหมือนเราจะขึ้นภูเขานะตอนเรายังเดินไต่ภูเขาอยู่เราก็ว่าทางที่เราเลือกเนี่ยดีที่สุดแล้วทางของคนอื่นไม่ดีหรอกทางของเราดีคนเดียวเอเราขึ้นยอดเขาแล้วรู้เลยทางขึ้นเขามีอยู่รอบตัวขึ้นได้ทั้งสี่ทิศเนี่ยกายเวทนาจิตทำทําได้ทั้งนั้นแหละไปพอนาว อ่ะต่อไปกลับนมัสการครับก็วันนี้ก็ฟงสั้นน้อยลงะฮะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะฮะแล้วทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยขณะตื่นรู้สึกว่าจิตมันเหมือนกับเคลื่อนออกมาเป็นสามสามสี่ขณะก่อนออตื่นไม่ทราบว่าแล้วถูกแล้วูกห<ะ>จิตมันขึ้นจากผวังนะมันขึ้นมาสามขณะปุ๊บปุ๊ บ, บแล้วหลุดออกมาข้างนอกเห็นในผวังหนระือเห็ น, นตั้งแต่มันยังไม่ตื่นะ่ะมันยังยังไม่ตื่ น, นะะเออมันขึ้นมาสามจังหวะนะถูกแล้วแล้วแล้วมันเหมือนกับว่าเราจะตัดสินใจว่าถ้าเกิดถ้าเกิดพอออกมา ขนาดสุดท้ายแล้วมันจะไม่หลับมันจะตื่นออกมาเลยมันจะออไปเลยอย่างเงี้ยแล้วตอนรับอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแต่ท้าวันไหนจะตื่นก่อนอันไหนก็ได้ครับนะดีไปดูเอาก็ทําทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะแต่อย่าจงใจดูก็แล้วกันนะครับลดความจงใจยังจงใจนิดหน่อยครับกน้ำมัำส ก, การครับผมพยายามกําหนดรู้อย่างที่ หลวงพ่อได้บอกนะครับแต่หลวงพ่อใช้คําว่าตามรู้นะไม่กําหนดรู้ครับตามรู้นะครับอรู้สึกบางครั้งก็เครียดอยู่เหมือนกันนะครับเครียดเนี่ยเพราะจงใจรู้ก็จะเครียดถ้าตรงที่รู้โดยไม่ได้จงใจจะไม่เครียดคือผมต้องต้องตามรู้ทุกครั้งเลยหรือเปล่าครับหรือว่ารู้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนะมันต้องเผลอบ้างแหละรู้ทุกวันทุกตลอดเวลาไม่ได้ครับดีขึ้นเยอะเลยนะอย่ากลับไปติดเพ่งอีกล่ะสะมาถามให้จริงนะ ทุกวันแบ่งเวลาทำความสงบเพื่อผักผ่อนพักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วมาเจริญสติรู้กายรู้ใจนี่ถึงจะเกิดปัญญาบางคนคิดว่าถ้าไม่คิดพิจารณาไม่มีปัญญานะเขาเข้าใจผิดอย่างแรงเลยครบาจารย์สอนมานักหนาเลยอภิธรรมก็สอนตรงกันเป๊ะเลยยังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาหลวงพ่อพุธเคยได้ยินไหมหลวงพ่อพุธสอนนะบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจ แล้วหมดเมื่อหมดความตั้งใจเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความจิตงั้นยังคิดคิดอยู่ได้แต่สมถะเอาว่าไปเมื่อวานตอนกลางวันเนี่ยรู้สลับกับฟุ้งอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็พอตอนเย็นมีอารมณ์แรงๆมากระทบมันก็เลยฟุง้งแล้วก็คิดแล้วก็กังวลฟุง้งคิดกังวลอย่างเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆไปดูเขาทํางานนะเขาไม่ใช่เราหรอกรู้สึกไหมมันทํางานได้เองก็แค่นั้นเอง ดูเขาทำงานไปไม่ใช่เราหรอกวันนี้พวกที่มาอยู่วัดหลายพันแล้วรู้สึกไหมดีขึ้นแต่ละคนรู้สึกไหมขออีกเรื่องหนึ่งครับหลวงพ่ อ, อครับคือระหว่างที่ผมบางครั้งเดินภาวนานหรือกําหนดรู้เนี่ยผมชอบคิดเรื่องการเกิดดับไปด้วยรครับไม่ทราบว่าจะต้องทำองค์กันได้เลยหรือเปล่าครับเวลาที่เราจะคิดพิจารณาเนี่ยนะเราคิดช่วยเมื่อจิตติดความสงบเฉยอยู่เช่นเราทําความสงบแล้วจิตนิ่งเฉยเนี่ย พิจรารณาจิตก็ได้พิจรารณากายก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้จิตทํางานแต่ถ้าจิตมันรู้กายรู้ใจได้แล้วอย่าพิคิดเอาให้ดูเอาคนละเรื่องกันนะคนละขั้นกันขอบคุณครับการคิดเนี่ยนะถึงจะคิดเรื่องกายเรื่องใจเป็นไตรลักษนณะ์ก็ไม่เป็นวิปรสนาในพระพิธรรมสอนไว้ชัดเลยการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเอานะด้วยการเปรียบเทียบเอาเนี่สูงสุดนะได้สัมมาสาัญญาณไม่ขึ้นอุท ย, ยาพิยญาณ ไม่เห็นความเกิดดับเม่นไม่เป็นวิปัสนาแท้นะมันเป็นแค่สัมมาสนญาณอย่างเราดูหน้าเราในกระจกโอ้หน้าเราปีนี้กับปีกลายไม่เหมือนกันนี่สังขารนี้ไม่เที่ยง<ม>เห็นการไม่เที่ยงด้วยการคิดด้วยการเปรียบเทียบไม่ใช่วิปัสนาเป็นสัมมาสัญาณเท่านั้นเองถ้าอุทยพยัญาณเนีจะเห็นเกิดระดับเช่นเราเห็นจิตที่โกรธเกิดขึ้นมาแล้วหายไปเกิดจิตที่รู้ตัวขึ้นมานะจิตที่รู้ตัวอยู่ช่วงก็ดับไปกับจิตที่หลงขึ้นมานะี S 1> <S 1> <S เห็นมันเกิดดับเกิดดับแล้วเห็นแต่ละดวงมีช่องว่างขั้นนะขาดอาอกจากกันไม่ใช่ดวงเดิมจิตไม่ได้มีดวงเดีวยวถ้ายังเห็นจิตมีดวงเดียวทํำวิปัสสนาไม่เป็นหรอกโลวปูล่าปู่เจ้าก็าสอนนะสอนดีผู้ใดเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นวิจชาทิฏฐิสอนขนาดนี้เพราะงั้นมันเกิดดับแล้วแล้วการเกิดดับทุกขณะจิตผมเคยอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเคย <S <S ไ, ไ, ไม่ต้องรู้ทุกขณะรู้เท่าที่รู้ได้มันยังไม่ใช่ภูมิเรา เอาต่อไปใครจะยกมือเอาให้แม่ฉีก่อนกลาวนพัธการหลวงพ่อค่ะก็ฟังสิดีของหลวงพ่อแล้วก็ตั้งตั้งใจปฏิบัติหนึ่งเดือนทำเต็มที่แล้วก็เข้าใจว่าตัวเองตื่นขึ้นมาบ้างแล้วตื่นนะแต่มันยังเพ่งอยู่ยังกดอยู่นะค่ะดูออกเปล่าดูออกคะ่ะตอนนี้กดเออกดอยู่ แล้วใครรู้ไปเวลาเราตื่นขึ้นมาแล้วนะมันมีตื่นแล้วสองแบบอันหนึ่งรู้ตัวขึ้นมามีสติจริงแต่ไม่มีปัญญาอันหนึ่งมีสติแล้วก็มีปัญญามีสองแบบถ้ารู้ตัวขึ้นมาแล้วใจก็โล่งว่างสบายๆอยู่ะเหมือนใหญ่เงี้ยรู้ตัวโล่งว่างเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับมีสตินะแต่ไม่มีปัญญาใจมันจะเฉยๆมีแต่ความสุขไม่ชีระวังไว้อีกอย่างหนึ่งมีสติแล้วมีปัญญา จิตมันจะไม่ไปพักเฉยสบายๆอยูอ่แต่มันจะเห็นกายเห็นใจนี้ทํางานไปเรื่อยแม่ชี่คอยรู้สึกลงมาในกายให้เยอะๆหน่อย<แ>เพราะว่าใจที่ตื่นขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาเนี่ยมันออกนอกมันไปโล่งๆว่างๆอยู่ข้างนอกใช่ค่ะตอนนี้เป็นอย่างนั้นเออนั่นแหละเพราะงั้นมันมีสตินะแต่มันเดินปัญญาไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันขาดสัมมาสามาธิใจไม่ตั้งมั่นใจไม่ถึงฐานใช่ใจอยู่นอก อย่นอกๆเห็นแต่ของนอกๆเออให้แม่ชีรู้ทันว่าใจอยู่นอกๆแต่อย่าดึงคืนมาคจําจได้ไหมไให้รู้ว่ามันกระจายออกไปแต่อย่าดึงคืนมาให้รู้เฉยๆนะมันจะเข้ามาเองถ้าดึงคืนมาจะเพ่งตัวรอบตัวเลยกันนั่นแหละไม่จริงหรอกมันรู้แบบไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาสมาธิรู้สึกไหมใจมกระจายออกไปใช่ให้รู้ว่าใจกระจายอย่าดึงคืนถ้ารู้ว่าใจกระจายนะรู้เฉยๆนะมันจะเข้าที่เองแล้วเข้าพอดีถ้าดึงแล้วจะแน่นเลยค่ะ ไปฝึกเอานะ่ปัญหาของแม่ชีตอนนี้ก็คือใจมันเริ่มตื่นแล้วล่ะใจมีความสุขใจเป็นกุศลแต่มันเพลินไหลเอาไปหากุศลข้างนอกมันขี้เกียจที่คลานดวออกแม่ไมจะหาแต่ความสุขใช่ค่ะออมันไม่ยอมดูกายดูใจทำงานนะไปฝึกเอาอ้าวเบอร์เจ็ดสิบสามเอเจ็ดสิบสามว่าไง ว่าเดีนี้มาจากสปูไทยอะค่ะได้ฟังแต่ซีดีแล้วอ่านหนังสืออะค่ะอแล้วก็เลยปฏิบัติมาเรื่อยเรือยเ่ดูกายดูใจอะค่ะอะไรนะแล้วก็ดูกายดูใจดูค่ะออดูรู้สึกไหมจิตเราเปลี่ยนไปรู้สึกค่ะรู้สึกไหมมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงจริงรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาสบา ย, บายก็ปฏิบัติเวลา โกรธก็รู้รู้บ้างหลงบ้างแล้วก็นิจยก็รู้รู้บ้างหล้วนะงไปดูเองแต่ไม่ไม่รู้ตลอดไปอะมั้งคะรู้ตลอดแล้วก็เพ่งค่ะอันนี้ต้รู้บ้างเปลือบ้างค่ะก็จะถามท่านว่าปฏิบัติถูกต้องแถูกล้วนะจิตใจมีความสุขขึ้นมาก็รู้ค่ะแต่ให้กันบ้านอันหนึ่งพอมันมีความสุขไปนานๆเนี่ยใจมันติดค่ะใจมันชอบในความสุขนี้นะให้รู้ทันนะค่ะถ้ารู้ไม่ทันจะติดแล้วค่ะดี เอาให้เด็กบ้างเด็กคนไหนจะยกมือร้อยห้าวาดไปกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ได้มาส่งการบ้านกับหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้ให้การบ้านไว้มาครั้งที่แล้วว่าให้ฝึกดูกาใจตัวเองก็คือที่มาส่งครั้งที่แล้วก็ที่คถาหลวงพ่อว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทําให้ชีวิตหนูเปลี่ยน เปลี่ยนมากขึ้นก็แบบเวลามีความทุกข์ประโยคนี้มันก็เข้ามาในใจแล้วมันก็หายไปหนูก็ไ ม, ม่ไม่มีทุกข์แล้วมันก็ว่างเปล่าก็คือคือเราไม่ได้ท่องเพื่อให้มันหายน ะ, ะเราท่องเพื่อเตือนตัวเองว่าอย่าไปรังเกียจมันถ้าใจเราไม่รังเกียจใจเราเป็นกลางนี่มันจะผ่านไปก็คือความรู้สึก ต่างๆที่หนูบอกไปว่าถ้าเวลาหนูจะซึ้งหนูก็ไม่ซึ้งจะรู้สึกดีใจก็ดีใจแต่คือไม่ดีใจแบบเวอร์เกินไปค่ะ mm. Mm. ก็คือหนูก็คิดว่าหนูดูไกด์ใจตัวเองเป็นแล้ว mm. แต่คือมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เรียนรู้ไกดใจกับตัวหนูเอง mm. ก็คือวันที่ มาส่งกันบ้านหลวงพ่อก็คือได้ไปเล่นวรนา น, านาโบ๊ก็คือกลัวหนูเป็นคนที่กลัวเลือดมากแล้วประสบอุบัติเหตุคางแตกก็คือเห็นเลือดก็ไม่กลัวแต่พอรู้ว่าต้องเย็บแผลก็คือเรียนรู้กาใจคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ในหัวสมองเลยก็คือช่วยอะไรไม่ได้เลยอะค่ะเราก็ต้องฝึกให้พอนะก็คือ ก็อย่างที่หลว ง, งพ่อบอกไปบอกว่าให้ฝึกดูกายใจก็คือหนูก็รู้ว่าบางครั้งหนูก็ดูกายใจตัวเองได้ห น, ห น, หนูต้องดูเพื่อให้เห็นว่ามันมีนมของเปลี่ยนแปลง น, นะไม่ใช่ดูเพื่อบังคับมันให้ได้บางครั้งหนูก็ดูบังคับมันไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่คือบางครั้งก็ดูไม่เป็นเหมือนกันแล้วพอได้มาฝึกฝึกไปลองฝึกนั่งสมาธิดูก็แบบ นั่งเฉยๆแค่ดูว่ากําลังนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเหมือนแบบตัวแบบมันเบาสบายมากมันไม่กดเหมือนเมื่อก่อนเออแต่ก่อนภาวนาไม่เป็นอะไปเพ่งไว้ก็คือเมื่อก่อนจะนั่งแบบพุโทโธพุโทโธตลอดเลยค่ะก็คือแค่นั่งเฉยๆแล้วก็แบบรู้ว่านั่งอยู่แค่แบบลองฝึกดูเฉยๆ เ, ออเราไม่ได้ไปเมื่อก่อนที่พุโทโธไม่ใช่ว่าพุโทโธเขาไม่ดีนะค่ะแต่เราพุโทโธเนี่ยโดยการคาดหวังว่าจิตจะสงบ เราพุทโธด้วยโลภะมันก็เลยไม่สงบตอนนี้เราคิดว่าเราจะนั่งดูเฉยๆไม่ได้คิดว่าดูแล้วมันจะต้องเป็นยังไงเห็นไหมเราไม่ได้มีโลภะแทรกมันก็สงบง่ายค่ะก็หนูหนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าหนูจะนิ่งได้สงบง่ายเพราะว่าหนูเป็นคนที่เมื่อก่อนแบบ น, นั่ง <Hi per. S 1> นั่งสมาธิแล้วแบบจะโฟมซานง่ายมากแบบอยากจะคุยอยากจะชวนเพื่อนข้างหน้าคุยคือแบบหนูนั่งไม่ได้แล้วต้องแบบคนอื่นแบบ หนูอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่คิดว่าหนูจะนั่งนิ่งได้ค่ะเราก็นั่งนิ่งเราก็ถึงเวลานิ่งเราก็นิ่งนะถึงเวลาเคลื่อนไหวเราก็เคลื่อนไหวแต่ทั้งหมดด้วยความรู้สึกตัวก็เมื่อก่อนมีความรู้สึกว่าถ้านั่งสมาธิเรายังไงก็ต้องตะแก้งคนข้างหน้าหรือคนข้างขให้ได้อย่าไปอย่าไปนั่งหน้าบาปอย่างนั้นอ่ะก็คือเดี๋ยวนี้ก็นั่งนิ่งมากขึ้นดูไปนะดูไปสบายสบาย เรางพ่อให้กันบ้านต่อน ะ, <ฮ>ะจิตขนาะนี้ไม่ตั้งมั่นดูออกไหม <ฮะ S 1> มันเหมือนจิตไปอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมจิตมันไปโล่งโล่งว่างๆอยู่ภายนอก <ฮะ S 1> ถ้าติดอยู่ตัวนี้ก็เป็นภพอันหนึ่งเป็นสมถะเหมือนกันนะให้เรารู้ทันว่าจิตไม่เข้าฐานจิตไม่ถึงฐานจิตไม่เข้ามาที่กายที่ใจเอาแต่สบายอยู่ข้างนอกนะให้รู้ทันตัวนี้น ะ, <ฮ>ะถ้ารู้ไม่ทันจะติดติดตรงนี้แล้วก็แย่เลยตายไปอาจจะได้ไปเป็นประพรม ต้องไปเฝ้าโรงแรมลมบ2 2> ำบากค่ะเบอร้อยหกสิบสองนมัสการครับหลวงพ่อก็ผมตอนเริ่มปฏิบัตินะครับเป็นคนที่แบบว่าชอบจ้องดูครับแบบดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบจะมีความรู้สึกอะไระครับแล้วอีกอย่างเนี่ยตอนเริ่มปฏิบัติเนี่ยครับเป็นคนที่แบบมีเสียงภาคในใจนครับภาคตลอดว่ามีความรู้สึกอะไรอแต่ตอนเนี้ยมันมัน เริ่มเปลี่ยนไปครับคือมันไม่มีเสียงภาคแล้วะครับเมื่อมีความรู้สึกมาเราก็เราก็รู้ครับแล้วก็อีกอย่างมันก็มันไม่จ้องแบบมันเมื่อเกิดมาเราก็แค่รู้เฉยครับเวลามีความสุขจากเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะหลงเย็นดีไปกับมันถล่มไปครับแต่เดี๋ยวนี้ยเมื่อผมรู้ว่ามีความสุขแล้วเนี้ยมันเมื่อรู้ทันเนี้ยไม่ใช่มันหายนะครับแบบมันมีความรู้สึกหนึ่งอ่ะเป็นความรู้สึกที่เย็นๆครับนั่นแหละ แล้วก็เวลามีความทุกข์เนี่ยครับมันก็ไม่ถล่มไปทุกข์มากมนะครับเมื่อรู้สึกตัวปุ๊บมันก็ค่อยๆหายไปรู้สึกเย็นๆเฉยๆไปโอ้นะออนะใจที่มันเป็นกุศล น, นะมันมีความเย็นฉ่ำๆอยู่น ะ, <ล>ะมันไม่หวือหวาหรอกใช่ค่ะมันเย็นเนียนๆดีภาวนาแล้วจเจริญแบบผมคว ร, ควรปฏิบัติแบบไหนดูอย่างนี้แหละที่ทําอยู่นี่ใช้ได้ละครับแล้วก็มีวินัยในตัวเองถึงเวลาแบ่งเวลาไว้เลยนะ ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมบ้างทุกวันควรจะทําก็จากนั่งสมาธิมา่ก่อนเนี่ยจจะภาวนาพุทโธนะครับจะรู้สึกเบื่อแต่เดี๋ยวนี้ยก็ภาวนาอยู่แต่ใช้พุทโธเนี่ยเป็นตัวยึดมั่นนะครับแล้วเวลาเราเผลอไปเราก็รู้สึกเรากลับมาพุทโธเหมือนเดิมเออถูกต้องเราไม่ได้พุทโธเพื่อห้ามจิตหนีไปแต่เราพุทโธเพื่อว่าจิตหนีไปแล้วเราจะรู้ได้ไหวนะครับภาวนาเก่งนะ กันบ้านเลยครับเหรอที่พ่อนายอยูใช้ได้แล้วนะเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกครั บ, 76. 76. รบกรารน้มัสการหลวงพ่อนะครับครั้งนี้ก็มาเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่แล้วก็ที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกทำผิดสามข้อของอการดูจิตนะครับก่อนดูระหว่างดูหลังดูสามข้อนี้ก่อครับ Oh. ไม่สามข้อที่ว่าห้ามแทรกแซงออนั่นแหละนั่นแหละครับก่อนจะรู้นะอยากจะรู้ก็เลยจงใจเข้าไปกวนๆครับนั่นแหละครับระหว่างรู้นะอยากรู้ให้ชัดเลยถล่มลงไปจ้องนั่นแหละครับพอรู้แล้วนะก็ยินดียินรายขึ้นมาไปแทรกแซงมันครับแต่ทีนี้พอหลังจากที่กลับไปแล้วครับก็เริ่มแบบฝึกปฏิบัติใหม่ครับทีนี้พอฝึกปฏิบัติมันก็เหมือนผมเริ่มนับหึงใหม่เลยครับคือเวลาเรา มันเกิดความรู้สึกขึ้นย่งเงครับช่วงแรกๆคือมันจะนานกว่าเราจะรู้ตัวอย่างเงครับอมันจะนานแต่พอมาช่วงหลังๆนี่ครับมันก็เริ่มแบบพอเรารู้ตัวปุ๊บมันก็จะความรู้สึกมันก็จะดับไปอย่างไงครับแล้วบางทีมันก็อาจจะกลับมาและบางครั้งมันก็จะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเลยครับออถูกต้องแล้ครับและอย่างบางครั้งแบบมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกให้เล่นกันอย่างไงนะครับแล้วเวลาแบบ พอผมรู้ตัวว่าผมแบบมีความสุขอะไรเงี้ยมันจะเกิดความสึกอีกอย่างนึงขึ้นมามแบบมันอธิบายไม่ถูกอะครับนะไม่ต้องอธิบายมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นหงนื่อนนะที่พอนานอยู่ใช้ได้ละครับแต่สังเกตจิตนิดนึงจิตขนาะนี้มันอยู่นอกๆรู้สึกไหมค่ะจิตมันไม่ทวนเข้ามาหาตัวเองรู้สึกไหมมันเหมือนย้อนเข้ามาข้างในไม่ได้ครับนะให้รู้ทันนะว่าจิตออกนอกไม่ต้องพยายามแก้ ให้แค่รู้ทันว่าจิตยังออกนอกอยู่นะครับผมเราอยาจะขอกันบ้านหลวงนี่ไง<ว>ให้กันบ้านละไป ร, รู้ทันนะใช่ว่าจิตยังไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นแต่อย่าดึงให้เข้ามาไม่ไม่ไม่ต้องดึงใช่ไหมไม่ดึงถ้าดึงแล้วผิดเลยจะดึงแล้วแน่นนะพวกเราภาวนานะถ้าภาวนาถูกนะใจมันจะมีความสุขนะเยน็ยนเยน็นฉ่ำฉ่ำสบายมีความสุขแผ่วแผวขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าภาวนาผิดนะใจจะหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งอึดอัดนะ เบอร์186ยแปบหกค่ะกับนิมมัสการหลวงพ่อนะคะก็หนูได้มาฝึกปฏิบัติตั้งแต่ค่ายแรกนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณเดือนกว่าแล้วแรกๆที่หนูมาเนี่ยตอนก่อนหน้า น, นี้จะเป็นคนที่ซุกซนมากคือไม่ค่อยอยู่นิ่งแล้วก็จิตใจนี่จะคิดไปต่างๆนาน า, นาอยากนู่นอยากนี่รู้สึกโลภรู้สึกทุกอย่างอะคะ่ะที่ อะไรอ่ะโลภโกรธหลงมีมีหมดมแล้วก็เนี่ยมาฝึกในค่ายเนี้ยเราได้สังเกตกายใจว่ามันมันมันมากขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยได้ฝึกเลยก็เลยไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยค่ะแล้วก็กลับกลับไปที่โรงเรียนตอนช่วงเปิดเทอมคือจากที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วมันจะ มันมันทําให้เรามีสมาธินิ่งขึ้นออย่างเวลาอยู่กับเพื่อนๆนเพื่อนๆ น, น, นก็จะชอบส่งเสียงไว้ไวคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกบางทีก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งอืแล้วก็ถ้าถ้าเป็นเรื่องที่ต้องคิดต้องทํำเราก็ทําไปแต่ถ้ า, ถาเอ อ, อย่างไงอะไม่มันมันรู้สึกว่าเกินไปแล้วหรือถล่มไปแล้วเราก็จะรู้สึก ม, มีสติกับขึ้นมาว่าอืม นี่มันมันจะเกินขอบเขต ท, ที่เราเคยฝึกมาแล้วนะ อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วละ่ะไปฝึกอีกนะไปไปทำอีกอย่าประคองใจให้นิ่งก็แล้วกันมีประคองนิดหน่อยตอนเนี้ยดุออกไหมค่ะถ้าตื่นเต้นนี้เลยกดเอาไว้หน่อยหน่อยค่ะอย่าไป ก, กดมันบางครั้งเวลาอย่างอย่างฝึกก็จะรู้สึกบังคับบ้างอึดอาดบ้าง ก็จะปล่อยปล่อยให้มันไปเผลอบ้างพอพอรู้ตัวรู้รู้สึกว่าเอาละเผลออีกแล้วก็จะกลับมาและทุกครั้งที่จะทำอะไรเนี่ยจะมีเหมือนเปิดจะเปิดซีดีหลวงพ่อฟังทุกวันพ้ะค่ะก็จะมีก็จะติดวันอื่นหลวงพ่อก็เทศนะทำไมต้องฟังแต่วันพระก็ <majors> ก็เหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมที่บ้านทำนะคะลองเปลี่ยนใหม่สิปิดซีดีหลวงพ่อวันพระเปิดวันอื่นได้หลายวันเลยฟังทุกวันก็ได้นะไม่สงี่ยวนิรศริ์งั้นหนูเปิดทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วกันค่ะไม่ต้องเปิดนานหรอกเปิดนิดๆหน่อยๆเบอร์แปดสิบเาน้ำมาสการครับหลวงพ่อ สำหรับผมก็รู้สึกว่าผมดูดูกายไม่ค่อยรู้รู้ตัวเลยครับดูแต่ใจ อ, อใจไปคิดนู่นก็รู้คิดนี่ก็รู้ออแต่ไม่ค่อยรู้ลงที่กายว่าไม่กายดูใจได้ก็ใช้ได้ละนะร่างกายนะของง่ายถ้าดูจิตดูใจออกนะต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเองเหละรู้สึกมากจะขยับขย่อรู้สึกเองอะ่ะ <c oughs> มันไม่เห็นจะต้องเลยทําอะไรพิเศษเลยงั้นคอยรู้ทันจิตไปพวกเด็กๆภ<ๆ>าคเพียรไว้นะ อาจารย์พจนาอาจารย์ซุปอาจาร ย, าารย์ทั้งหลายนี่เขาอุตสาห์ช่วยเราเขาให้สิ่งที่มีค่าที่สุดกับเราแล้วคือให้ธรรมะเราอะไรๆไม่มีค่าเท่านี้หรอกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะเป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วค้างชั่ว ค, ค, ค, คราวแต่ธรรมะนี่นะจะให้ความสุขเราไปจนถึงตายเลยตายแล้วยังต่อ อ, อีกนะภานาต่อไปได้อีกเป็นสมบัติที่ติดตัวเราอย่างแท้จริงเลยข้าอยากกะถามหลวงพ่อว่าที่ฝึกอยู่เป็นยังไงบ้างครับที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้แล้วไปดูเรื่อยๆนะ แล้วเวลามันโมโหก็รู้นะดูไปด้วยพื้นเราชี้โมโหแล้วก็คอยรู้เอาครับต่อไปให้ผู้ใหญ่บ้างเบอร์ร้อยแนวัตการเจ้าค่ะหลวงพ่อดูได้ไปเห็นว่าจิตเนี่ยเขาลงสู่ปัจจุบันแล้วก็เขาก็ทิ้งปัจจุบันนะเจ้าค่ะอะไรนะได้เห็นว่าจิตนะคะเจ้าค่ะ เขาลงสู่ปัจจุบันแล้วเขาก็ทิ้งปัจจุบั น, น, นทิ้งยังไง<า>ปัจจุบันก็ได้ไปเห็นว่าเขาเทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ได้เห็นว่ามันมันอยู่อยู่อยู่กับตรงนั้นอธิบายไม่ได้จ้าค่ะแต่เป็นหน้าปัจจุบันนั้นแล้วหนปัจจุบันนั้นมันก็จบตรงนั้นนะจ้าค่ะปัจจุบันนั้นก็ดับอยู่ตรงนั้นแหละจ้าค่ะที่ต้องระมัดระวังนะคืออย่าไปประคองใจไว้ปล่อยให้ใจมันเคลื่อน บาทีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านอาจจะบอกว่าปล่อยผู้รู้อะไรเงี้ยความหมายไม่ใช่ว่าทําลายผู้รู้เหมือนที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะไม่นคนละขั้นตอนกันของเราปล่อยผู้รู้อย่าไปเพ่งตัวรู้ไว้ของเราติดเพ่งตัวรู้มันเพ่งให้นิ่งรู้สึกไหมแต่ตอนนี้มันเบาลงกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนน่ะเพ่งอย่างรุนแรงถ้าเพ่งอย่างนั้นปัญญาจะไม่เกิดไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้นะตอนนี้ดีขึ้นนะแต่ยังมีอยู่ ย่งประคองผู้รู้อยู่เบอร์ห้าเบอร์ห้ายกมือมนร<ะ>ัสการคะ่ะหลวงพ่อลองปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อมาสองอาทิตย์แล้วค่ะมิทราบว่าถูกตอนนี้ปฏิบัติถูกหรือรู้สึกไหมใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นรู้สึกค่ะนะรู้สึกไหมกิเลสอะไรมาเราเห็นเร็วขึ้นแต่ยังติดมีเสียงภาคอยู่อะค่ะเสียงภาคไม่ห้ามหรอกบางคนภาคตั้งหลายปีเนะี่ยได้ใช่ไหมคะได้เราอย่าไปช่วยมันภาคนะมันภาคเองไม่เป็นไร ถ้าเราไปช่วยมันภาคเช่นผมคนเล็บฟันหนังไม่ดียังง้นี้ย น, นี่คิดเราเอง ถ, ถ้าจิตมันภาคไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ปฏิบัติถูกกับจริตแล้วใช่ไหมถูกแล้วนะเหลือที่ความต่อเนื่องนะอดทนหลวงพ่อให้การบ้านคุณคืออดทนปฏิบัติไปนะทนชีวิตต้องอดทนเยอะเลยฝึกไปเบอร์มกกลาน้ัสการครับหลวงพ่อ ผมเริ่มปฏิบัติมาไม่กี่เดือนนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องว่าออไม่ทราบว่าตอนนี้ทําถูกต้องไหมครับก็ที่ฝึกนะส่วนใหญ่มันจะเป็นเพ่งนะของเดิมมันติดเพ่งมาตอนนี้เราคลายออกเราก็คอยรู้ปล่อยให้กายให้ใจทํางานอย่าไปกังวลใจกงังวลละไม่ต้องไม่ต้องดีในวันนี้พรุ่งนี้หรอกนะแค่ว่าเราเพ่งอยู่เราก็รู้ใจเรากังวลเราก็รู้ใจเราเป็นยังไงเราก็รู้รู้สบายสบายนะ ฝึกรู้สบายๆต้องไว้นะต้องสบายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ปฏิบัติมาส่วนมากจะค่อนข้างจะรู้สภาวะได้ยากอะไรนะที่ปฏิบัติมาในชีวิตประจําวันจะ ค, ค, ค่อนข้างของคุณตดูกายไปนะเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนอะไรเงี้ยคอยรู้สึกถึงร่างกายบ่อยๆัในขะเดียวกันไม่เพ่งอยู่ที่กายนะแค่รู้สึกแ่รู้สึกของ ค, คุณนถนัดที่จะไปดูกายโอ้งั้นบางทีไปดูจิตแล้วมันนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดู เพอะไรเพราะแต่เดิมทําสมาธิมาเยอะถ้าชาตินี้ไม่ทําชาติก่อนก็ทำดังนั้นเวลามาดูจิตเนี่ยมันจะนิ่งไปดงั้นคุณดูกายไว้ให้ดูกายใช่ไหมครับดูกายเป็นหลักนะแล้ามันจะเห็นจิตเองอ๋อครับทีนี้ในในชีวิตประจําวันในการทํางานหรือว่างๆอยู่เงี้ยจะดูยากทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีที่ฟังในซีดีของหลวงพ่ อ, อ, อท่องกอไก่ถึงอ้อนหูไปในใจครับจะมองเห็นชัดใช่ถือว่าเพ่งไหมครับ ท, <ำ> ท, ท่องกอไก่ถึงอ้อนคู่ครับไว้ใ น, ในใจอ แล้วก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของกายของอะไรได้ชัดเจนเออถ้าอย่างนั้นก็ได้อะไรก็ได้ไ ม, ไม่สําคัญหรอกสาคัญคือเราคอยรู้สึกร่างกายไม่บ่อยๆรู้สึกไม่ใช่เพ่งนะท้องคำนี้ไว้นะรู้สึกไม่ใช่เพ่งครับร้อยสามกยกมือห้อาร้อยสามสิบหกกล่าวรครับหลวงพ่อคือ okay. ไม่ได้ส่งกันว่าหลวงพ่อนานนะครับเมื่อครั้งล่าสุดก็น่าจะยกใหม่แบบนี้นะครับ2เดือนได้แล้วมั้งครับคือหลวงพ่อว่ารู้สึกว่าจิตจะติดล็อกคือเกาะศินมากเกินไปนะครับเกาะอะไรนะเกาะศิน5้าสินแมากเกินไปเกาะมันทําไมอ่ะก็สมทานทุกวันแล้วก็สมทานไว้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าวิธีที่จะถือศินให้ดีนี่คือมีสติรู้ทันใจ ศีลเนี่ยขาดนะเพราะว่ากิเลสครอบงำจิตเนาะถ้าเรามีสติเราก็มีศีล น, นะคือศีลง่ายถือศีลไม่เครียดหรอกแต่ถ้าเราทิ้งสติเราคอยแต่จ้องอยู่อย่างเดียวรักษาศีลในเดี๋ยมจะเครียดงั้นฝึกให้มีสติบ่อยๆอย่างความโลภเกิดขึ้นในใจเราเรารู้ทันความโลภครอบงำจิตไม่ได้เมื่อความโลภครอบงำจิตไม่ได้เราก็ไม่ขโมยใครเราไม่เป็นชู้ใครเห็นไหม ความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันความโกรธครอบงําจิตไม่ได้เราก็ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครนี้ศีลมันจะเกิดขึ้นคืออยากจะถามหลวงพ่อช่วงนี้ยังติดล็อกอยู่ช่วงนี้ยังติดล็อกหรือป่าครัติดแต่ไม่มากแล้วนะติดนิดหน่อยคลายออกมเกือบหมดละกรรมลัมการครับอา้าวเด็กๆว่าไงมีใครไหมอา้ามาเบอร์บอล กับมันสการหลวงพ่อครับก็จะมีปัญหาส ง, งสัยอยู่ตรงที่การดูจิตนะครับว่าเราจะดูอย่างเดียวถึง อ, อ, อารมณ์แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรเงี้ยครับกับดูจิตไปด้วยแล้วก็พร้อมกับเห็นว่าจิตเป็นไจรักณอย่างไหนถึงจะถูกต้องกักนเราดูจิตนะดูทุกสิ่งทุกอย่างเวลาดูจิตเราดูได้สองอย่างอันหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิต อันที่สองดูจิตมันทํางานเช่นมันวิ่งไปวิ่งมาไปเห็นไหมวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปคิดนียอันนี้เรารู้ทันความรู้สึกกันหนึ่งนะรู้ทันกิริยาอาการของมันอีกันหนึ่งนี่เรียกว่าดูจิตเมื่อดูไปดูไปต่อไปเราจะเห็นไตรลักษณ์มันเห็นเองมันจะเห็นเลยว่าจิตโลภก็อยู่ชั่วคราวจิตโกรธก็ชั่วคราวจิตหลงก็ชั่วคราวรู้สึกไหมตอนนี้เพียงแต่เราเห็นแล้วจิตมันยังไม่สรุปให้ฟังเท่านั้นการที่เราตามรู้ทุกวันทุกวันนะเห็น เห็นความรู้สึกเห็นการทำงานของจิตนะดูไปนานๆเราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตจิตจะเห็นเองล่ะครับจิตจะเห็นเองการเห็นไตรลักษณ์เป็นปัญญานะปัญญาเกิดจากการมีสติตามรู้ไปเรื่อยด้วยใจที่เป็นกลางใจที่ตั้งมั่นแล้วปัญญามันจะเกิดเองครับแล้วที่ดูอยู่ตอนนี้ถูกต้องไหมครับถ้าขณะนี้เลยไม่ถูกขณะนี้กดอยู่แต่ที่ฝึกอยู่ช่วงนี้ถูกดูไปสบายสบาย ครับแล้วแต่ย๋ยวห อ, อการบ้านเพิ่มด้วยไปทำเอาอีกนะไปดูใจเราเป็นยังไงรู้ลูกเดียวเลยอย่าไปจ้องเอาไว้ก่อนนะของบอลเนี้ยชอบไปจ้องไว้ก่อนระวังนิดนึงครับขอบคุณครับเบอร์74เขินรู้ว่าเขินออกาศธรรมสการ์ของพ่อนะครับก็แต่ก่อนผมก็จะเป็นคนบ ใจร้อนฟุง้งซ่านนะใครมาว่าอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ก็จะโกรธเป็นฟืนไฟเลยคะเออธรรมดาเนี่ยก็ <c oughs> คนเรามันขี้โมโหอะจะทําไงได้หันดูไปสินะต่อไปมันจะเย็นเองอะหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหนะพื้นฐานเดิมของหลวงพ่อเนี่ยขี้โมโหมากเลยดุนี่เราหัดภาวนาไปเรื่อยนะใจเรามีความสุขมากขึ้น่อยๆคนที่โมโหนะเข้าใจไม่มีความสุขหรอกถ้าใจเรามีความสุขไม่โมโหหรอก ก็ตอนฝึกใหม่ๆนะก็ตอนแรกก็จะมีเสียงภาคแล้วก็เออเผลอไปแล้วนะแต่ว่าพอฝึกไปเรื่อยๆก็แบบมอนก็มันจะรู้เองมันได้มีเสียงพาก่ะเออนะนั่นแหละมาถู ก, กทางวะครับถูกสิเด็กๆนะฝึกง่ายนะผู้ใหญ่ฝึกลําบากกว่าเด็กเยอะเลยรู้ไปซื่อๆนั่นแหละดีแล้วผู้ใหญ่นะกว่าจะให้เลิกพูดนะนอนนะยากฝึกกันหลายปีเลยกว่าจะเลิกพูดเลิกภาคนี่เด็กๆมาบอกว่าเลิกภาคไปสองคนแล้ะ ไปทําอีกนะเบอร์เจ็ดสี่ใจลอยไปแล้วเบอร์เจสี่รู้สึกไหมรู้ครับร้อยห้าสิบเก้าลับนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อก็หนูมาครั้งแรกค่ะก็อยากจะบอกว่าหนูเข้าใครครั้งแรกก็ได้รู้เรียนรู้กายใจค่ะก็ได้ความรู้ว่าเราเผลอไปทําอะไรก็รู้ค่ะเผลอไปทําอะไรหมายถึงอะไร เผลอไปเดินเผลอไปกินข้าวงั้นเหรอเผลอไปคิดก็รู้ว่าโอ้อย่างงี้สิถึงจะใช้ได้หลงผ้าออกอุตสาขุดหลุมล่อนะเผลอไปดูโทรทัศน์อย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เผลอรู้ทันกายรู้ทันใจอย่างนี้ใช้ได้ค่ะ<า>แล้วไงอีกเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมก็ได้เห็นนะคะแล้วรู้สึกไหมใจเราจะสบายขึ้นดูออกไหมค่ะ<า>อย่าทิ้งนะ นี่เรียนชั้นไหนแล้วันนี้พอหกอะเอออย่าทิ้งนะอย่าทิ้งกรรมฐ า, านนะดูะใจตัวเองเรื่อยๆนะค่ะอย่าให้มันลืมไประวังเดี๋ยวโตวกว่านี้หน่อยบางทีมันจะลืมอย่าทิ้งมันไปเบอร์สี่สิบหกค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะค่ะครั้งนี้หนูก็มาเป็นครั้งแรกนะคะ จากที่หนูได้ดู VCD ของหลวงพ่อหนูก็ลองไปปฏิบัติดูลองไปเรียนรู้ดูกายดูใจของตัวเองดูแล้วหนูก็รู้สึกว่าตอนแรกๆเนี่ยเวลาหนูเผลอไปคิดอะไรเนี่ยหนูก็หนูก็รู้ทันแต่ว่าตอนแรกๆหนูจะรู้สึกว่าหนูจะเพ่งเพ่งไปะะอคนะค่ะโอ้เก่งนะเพ่งแล้วเรารู้ว่าเพ่งเนี่ยมันก็เลิกไปเองแหละค่ะแล้วไงอีก ค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้หนูก็เริ่มเบาเพ่งไปแล้วอะค่ ะ, ะก็เวลารู้สึกก็รู้ไปเรื่อยๆแบบสบายๆก<ค>ิเลสเกิดบ่อยหวันนึ่งวันหนึ่งเห็นก <c oughs> ิเลสไหมกิเลสตัวไหนมีเยอะดูออกไหมรู้จักใจลอยไหมลอยไปดีนะเด็กอาจารย์สอนเก่งนี่ยรนเนี้ย <c oughs> เด็กเก่งๆ เ, เยอะเลย สงสัยคัดมาแล้วใช่ไหมการเอาที่เก่งๆมาอ้าวต่อไปค่ะแล้วหลวงพ่อมีการบ้านอะไรให้หนูไหมค่ะว่าหนูจะปฏิบัติยังไงต่อเวลาหนูกวาดบ้านเวลาหนูทํางานเนี้ยนะเวลาหนูเดินหนูวิ่งเนี้ยหนูคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะอย่าทิ้งร่างกายนะรู้กายบ่อยๆอ้าวอ้นส่งการบ้านส่งยังกัดน้องสกา ก, การธรรมบัตรการหลวงพ่อนะครับผมมาครั้งแรกนะครับมผมได้มาเข้าค่ายนี่ครั้งแรกเมื่อก่อนผมเป็นคนเราดูออก<บ>แม่จิตเราเปลี่ยนไป ด, ดูออกครับอเอาว่าไปหลวงพ่อต้องให้เด็กพูดก่อนไม่แย่งพูดหมดเมื่อก่อนผมเป็นคนเที่ยวเก่งมากเลยครับหลวงพ่ อ, อเพืเ่อนไปไหนไไมาชวนผมไปผมก็ไปตลอดอแต่เดือนนี้ผมไปเข้าค่ายมากลับไปบ้านแม่ถามผมว่าอ้อนกินยาอะไรมาลูก เปลี่ยนไปยัางง่ายไ ม, ไม่ไม่น่าเชื่อนะครับเออบอกแม่สิกินพุทธโธไหม <laughs> พุทธโธก็คือใจของเราเองนะเรารู้ทันใจของเราเราจะไม่ถูกกิเลสครอบงำหลวงพ่อเห็นความสําคัญของเด็กๆนะชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นช่วงที่เสี่ยงสูงเลยถ้าช่วงนี้ของเราดีนะอนาคตเราก็จะดีช่วงนี้ของเราล้มเหลวเนี่ยนะชีวิตล้มเหลว ง, ง่ายๆเลย ยิ่งไหวในไหวเรียนเนี่ยบางคนพ่อแม่เอาแต่ใจตามใจนะแล้วเด็กเสียไปเนี่ยตั้งตัวไม่ติดเลยชีวิตลําบากทั้งชีวิตเลยงั้นถ้าพวกเรามีธรรมะอยู่เนี้ยเรามันเหมือนเรือมีหางเสือนะไม่วิ่งไปชนหินโศคลกแตกง่ายๆหรอกไม่อยากเที่ยวเยอะนะไม่มีประโยชน์หรอกแล้ไอ้เพื่อนที่มันชับเที่ยวน่ะหลอกให้มันไปเข้าคอร์สของอาจารย์เขาบ้างขอบคุณครับดีนะฝึกไปเพื่อชีวิตของเราเอง โมอาจารย์ให้สิ่งที่ดีที่สุดกแกเด็กจริงๆโมธนานะอาจารย์ทุกท่านเลยเอา้ามีอีกไหมมีเด็กคนไหนอีกไหมเร็วเบอร์อะไรเบอร์อะไรชื่ออะไรชื่ออ้อมอ่ะแล้วเมื่อกี้เห็นยกมือทางข้างหลังอีกคนหนึ่งใครชื่อตู่ออกล่าวในมัณฑ ก, การหลวงพ่อค่ะหนูเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็โมโหง่ายบางครั้งหลวงพ่อเชื่อ ชอบงุดหิดง่ายอะคะ่ะเป็นคนอย่งเแต่พอได้เข้าค่ายก็รู้สึกว่าการหงุดหิดมันก็เบาลงค่ะมันสั้นล ง, ส, งสั้นล ง, นนลงค่ะแล้วก็ทําให้แบบเวลาไปเรียนเนี้ยค่ะชอบเผลอเผลอไปมองข้างนอกไม่ค่อยสนใจเรียนค่ะพอกลับจากค่ายไปพอไปเรียนก็รู้สึกตั้งใจเรียนขึ้นค่ะ เ, เรียนรู้เรื่องขึ้น ด, ดีนะสมาธิเราเยอะขึ้นเวลาเรียนเรียนง่ายขึ้นบางควรทําผิดนะอยากให้เด็กมีสมาธิแล้วพาไปเด็กนั่งสมาธิเฉย เด็กไม่มีสติไปน้อมจิตให้นิ่งนะั่นเด็กเครียดเด็กบ้าไปก็มีนะงั้นฝึกให้เด็กมีสตินะั่นแล้วสมาธิมันมีขึ้นมาเองดีอีกหน่อยก็จะเรียน<ะ>เก่งได้หรอกคมีการบ้านเลยคะอย่าขี้เกียจนะนี่หลวพ่อให้การบ้านที่สําคัญกับชีวิตของหนูแล้วนะหรือ<ะ>อย่าขี้เกียจปฏิบัตินะคะโง่เห้งของหนูขี้เกียจปฏิบัติอ้าวตูว๋ค่ะ ้หนูไม่ขี้เกียจนะชีวิตหนูจะรุ่งเรืองกาบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือว่าเมื่อก่อนเนี้ยหนูแบบเป็นคนที่ชอบแบบคิดอะไรไปเรื่อยเปืเป่อยฟุ้งซ่านควบคุมอะไราอารมณ์ตนเองไม่ค่อยอยู่อะค่ะแล้วพอแบบได้มาเรียนรู้ดูกายดูใจอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้แบบชีวิตหนูดีขึ้นนะคะคือเผอไปโกรธก็รู้ เอไปชอบก็รู้เงี้ยค่ะดีมากแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่มหาสารจนกับตัวหนูมากๆเลยค่ะคือว่าเมื่อก่อนเนี้ยค่ะหนูเป็นแบบเป็นโรคลมชักอะค่ะแล้วแบบพอมาตามดูกายดูใจค่ะโรคนั้นก็หายไปจากตัวหนูเลยค่ะกลับมามีความสุขอะค่ะเราไม่เครียดนะเราก็ไม่ค่อยจะชักหรอกเรารู้ทันกายรู้ทันใจเรามีความสุขไปฝึกไปนะ บางคนอย่าว่าแต่โรลคลมชักเลยนะมีคนเป็นอัลไซเมอร์นะแล้วก็ลูกก็พามาฟังฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่มาฟังไปฟังไปนะใจเริ่มตื่นขึ้นมานะหายนะประหลาดแต่ถ้าสมองเสียแล้วไม่หายนะถ้าสมองเสื่อมไปแล้วไม่หายอา้าวเด็กๆมีอีกไหมไหนๆก็จะกลับละอา้าวอีกสองคนขอบคุณค่ะชื่ออะไรยกป้ายด้วยความกล้าหาญ มุกกระส้มกับนมันสกานคะ่ะหลวงพ่อคือตอนนั้นอาจารย์เขาก็สอนคือแบบให้เราเรียนรู้แบบกายใจใช่ไหมคะทีนี้หนูไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็ตอนที่ว่าถ่ายลุกกับงูอะคะ่ะหนูกลัวมากเลยคะ่ะทีนี้ไอช่วงที่กลัวเนี่ยแบบมันเหมือนว่ามันกึ่งมีสติกับไม่มีสติอะคะ่ะหนูก็แบบ มันบอกไม่ถูกมันคือแบบมันก็กลัวค่ะกลัวก็รู้มันคือหนูจะทํำยังไงดีคะไม่ต้องทําอะไรเราดูสิใจเรามันกลัวขึ้นมาได้เองรู้สึกไหมรู้สึกเราดูเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้หายกลัวนะไม่ได้ดูเพื่อให้หายโกรธไม่ได้ดูเพื่อไม่ให้ไปโรคแต่มันโลบขึ้นมาเรารู้มันกลัวขึ้นมาเรารู้มันโกรธขึ้นมาเรารู้รู้ลูกเดียวถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวถ้าเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยถึงจะเรียกว่าเข้าใจแล้ว ก็ไอทีหลวงพ่อบอกว่าไอของชั่วเขาเนี่ยหนูก็เชื่อนะคะเพราะว่าพอออกจากงูตรงนั uh> ้นปุ๊บมันก็หายกลัวไปเลยอะค่ะโอ้นะใช่ก็ขอกันบ้านหนได้ไหมคะไปดูใจบ่อยๆนะเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองกาลมีงูเห่าตัวหนึ่งน่ารักน่ารักเป็นเกลอกันแล้วเชื่องเชิเราอยู่ใกล้ๆนะมันก็มาหาอะไรกินนะเลยๆสวยนะงู งเป็นสัตว์ที่แสนสวยใช่ละตัวนี้ดำมันวอกเลยยังกระ น, นินเวลาถูกแดดนี่นะมีประกายรุ้งเลยสวยเราไม่ทําอะไรมันมันก็ไม่ทําอะไรเราธรรมชาติของสัตว์เนี่ยที่ทําร้ายคนนะส่วนมากมันถูกคนทํำร้ายมาแล้วคะ <c oughs> นั้นเราใจกว้างกวางเราไม่ทำร้ายสัตว์นะสัตว์ไม่ค่อยทําอะไรเราหรอกแต่คนไม่ได้นะคนมันชั่วกว่าสัตว์ค <c oughs> คนเราไม่ได้ทําอะไรมันมันทําเราก็มีนั่นเราต้องมีสติมีปัญญาไว้นะ ดำรงชีวิตด้วยการใช้เหตุผลให้มากๆนะอย่าดำรงชีวิตด้วยการใ ช, ใช้อารมณ์นะหลวงหนูเนี่ยหลวงพ่อให้กันบ้านน ะ, ะพยายามดำรงชีวิตอย่างมีเหตุผลค<ะ>คอยรู้ทันใจของเราไปใจเราจะมีเหตุผลมากขึ้นมากขึ้น<ะ>แล้วก็ใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตอย่าเพ้อฝันอะไรง่ายๆน ะ, ะใครเขาจะมาคุยอะไรมาหลอกอะไรเราชวนให้เพ้อให้ฝันอย่าไปเชื่อมันนะจําไว้นะค่ ะ, ะขอบคุณค่ ะ, ะจะได้เอาไว้ใช้ในวันข้างหน้า อ้าวส้มการน้ำมัสการหลวงพ่อค่ะแบบว่าหนูมาเข้าค่ายแล้วหนูว่าลองไปฝึกดูแบบรู้สึกว่ามันเผลอบ่อยค่ะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคะเมื่อก่อนเผลอไม่บ่อยหรอกเผลอว่าละครั้งเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเป็นดีซะที่ไหนล่ะเผลอบ่อยแสดงว่าสติเกิดบ่อยเผลอเนี่ยนะมันเท่ากับรู้สึกตัวบวกหนึ่งนะค่ะกันบ้านนะคะ่ะกันบ้านนะเผลอให้บ่อยๆ <laughs> เผ่อเรารู้เ่รเรารู้บ่อยๆน ะ, ะไปฝึก อ, อย่างนั้นแหละอ่ะได้อีกคนหนึ่งเด็กๆนุกนกนะนุกกระหนุ่มเอานามัสการข่ะหลวงพ่อคือตอนเย็นกลับไปทำกันบ้านกันบ้านพวกวิชาคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วข้างบ้านเขาเปิดเพลงเสียงดังมากเลย หนูก็ไม่มีสมาธิที่จะคิดกันบ้านคิดยังไงก็คิดไม่ออกคะ่ะ อ, อยากทราบว่าจะต้องทำยังไงคะหลวงพหนูไม่ชอบวิชานี้ะสิถ้าหนูชอบวิชานี้นะมันดังกว่านะั้นหนูก็ไม่ได้ยินใจเราไม่ชอบมันนะพยายามปลุกใจหน่อยยังไงก็ต้องเรียนตั้งอกตั้งใจไว้ไม่น้ำคาญขึ้นมารู้ว่าลำคาญไปหาอะไรอุดหูไว้แล้วก็เรียนไปเวลาอ่านหนังสือเหมือนกันค่ะ วิชาอื่นที่ไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์ค่ะวิชาที่หนูชอบมากเลยแต่ก็อ่านไม่รู้เรื่องอ่าไม่รู้เรื่องเหรอต้องตั้งใจหน่อยนะต้องสนใจในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เฉพาะหน้าอันนี้ไม่ใช่เรื่องกรรมฐานอันนี้เป็นเรื่องการใช้ชีวิตธรรมดางั้นเราจะเรียนหนังสือเราต้องตั้งใจที่จะเรียนน ะ, <ฮ>ะพยายามบอกตัวเองเตือนตัวเองตลอดว่าตอ น, นี้มีหน้าที่ทําอันนี้นะอย่ามวัวใจใจลอยไปที่อื่นใจลอยแล้วรู้ทันแล้วก็กลับมาอยู่ที่งานของเรา ขอกันบ้านได้ไหมคะหลวงพ่อไปดูใจของตัวเองบ่อยๆนะค่ะอ่ะหนุ่มครับกับนมัสการหลวงพ่อครับก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกครับก่อนที่จะเข้าค่ายเนะยครับตัวเองนี่เผลอคิดทั้งวันเลยครับมไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองแล้วก็ไปเข้าค่ายคุณธรรมที่ไหนก็ให้นั่งสมาธิเดินจงกรมซ้ายย่างเนาะขวา ย, ย่างเนาะรู้สึกว่าตัวเองเครียดมากเลยครับแต่พอมาเข้าค่ายกับเนี่ยครับ ไปยาวคูซุกเคแล้นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองเครียดก็รู้ว่าเครียดอะไรเงี้ยครับเมื่อยก็รู้ว่าเมื่อยก็ทําให้ตัวเองสบายขึ้นดีขึ้นนะครับไปฝึกเอานะครับขยันฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอแก่เท่าหลวงพ่อเก่งเก่งกว่าหลวงพ่ออีกก็ได้อขอการบ้านไหยครับขยันไงนะดูบ่อยๆนะครับใจเราสนชอบวอกแวกเพราะเราคอยสนใจทุกวันทุกวันต้องภาวนานะมีวินัยในตัวเอง อา8แกับ180แาแถมแถม87ดสบได้2คนเท่านั้นพอละค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อก็คือจากบทเรียนของหลวงพ่อค่ะที่ได้สอนพวกหนูค่ะมันมันมันให้ความสุขอะค่ะกับไม่ได้ตัวหนูคนเดียวค่ะ คือมันสอนให้หนูเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะจากเดิมดื้อด้านมากพ่อแม่เอาไม่อยู่อยเงี้ยค่ะหนูเปลี่ยนมากจนหลวงพ่อจําเกือบไม่ได้เลยหนูรู้สึกไหมหนูเปลี่ยนไปเยอะเลยก็คือจากที่เดิมเดิมพ่อแม่เอาไม่อยู่ค่ะว่าอะไรก็ไม่ฟังเงี้ยค่ะก็เหมือนตอนนี้เราว่าพ่อแม่ฟังเราละดีนะหนูที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้เลยละ ชีวิตดูเปลี่ยนและชีวิตมันมีความสุขนะแต่เราไม่ได้ฝึกเอาแค่ความสุคนี้หรอกนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็เอาสิ่งที่ดีกว่านี้อีกเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปความสุขเป็นของแถมเท่านั้นเองเนะพราะเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมากเข้ามากเข้าววันหนึ่งปล่อยวางพอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเราจะพบความสุขอีกชนิดหนึ่งที่อัศจรรย์ที่สุดเลยนะความสุขที่ไม่อิงอาศัยอะไรเลย ดีนะหนฝึกเปลี่ยนแปลงมหาศาลเลยรู้สึกไหมเปลี่ยนมากจริงค่ะองกระจกดูแล้วรู้ไหมหน้าตาเราก็ไม่เหมือนเดิ ม, <c oughs> มออดูดีกว่าเดิมเยอะเลยเอาไปเบอร์ร้อยแปดสิบไอ้หนุ่มคนไหนมาหลอกอย่าไปเชื่อมันนะเราพอนางเราสบายสบายการรวัาศาการครับหลวงพ่ อ, อคือว่าผมเนี่ยปกติ ก่อนที่ยังจะไม่ตอนที่ยังไม่ได้มาเข้าค่ายนะครับเป็นคนที่แบบว่าเวลาเรียนเนี่ยนิสัยคือว่าชอบบลอกแวกอะครับแบบชอบมองออกล่องหน้าตากับมองแบบตามต้นไม้ต้นไรเงี้ยครับแต่พอมาเข้าค่ายแบบให้เรียนรู้กายใจนะครับแบบพอเวลานั่งเรียนรู้สึกแบบมันแบบใจแบบมันรู้ตัวมากขึ้นรู้สึกตัวมากขึ้นนะครับดีสิจากตอนแรกแบบบลอกแวกวุบคนนี้พอเราเริ่มเรียรู้กายใจปุ๊บพอเรานั่งเรียนเนี้ย พระพักก็จะเออคิดว่าแบบเออตอนนี้เผลอไปแล้วนะเผลอไปมองนอกหองเงี้ยเราก็กลับเข้ามาอยู่ในการเรียนต่ออะไรเงี้ยครับเ<ด>ข้มาเนี่ครับใช้ได้แล้วนะครับนี่หลวงพ่อเสียดายอย่างนะกระทรวงศึกษาชอบให้เด็กไปเข้าคอร์สเข้าค่ายอะไรเงี้ยไปเข้าค่ายบังคับเด็กนะถ้ามาเข้าค่ายที่เป็นการเจริญสติอย่างแท้จริงนะด<ก>เด็กจะเปลี่ยนอย่างเห็นเห็นเลยการเรียนก็ดีขึ้นนะการดํารงชีวิตก็ดีขึ้น นิสัยอารมณ์อะไรก็ดีขึ้นเห็นๆเลยใช้เวลาไม่นานด้วยไม่ใช่ไปบังคับเด็กเครียดเด็กบ้าเด็กเลยโอ้เสียดีแล้วทพวกเราฉลาดมาเรียนแล้วอยจะข อ, ขอการบ้านของพ่อเพิ่มอ่ะครับขยันนะทําอย่างที่เราทํานี่แหละที่ครูที่อาจารย์เขาสอนที่พี่เลี้ยงสอนอะไรให้เนี่ยให้เราไปทําต่อนะทุกคน ถ้าทำต่อไปเรื่อยๆไม่ทอดทิ้งเนี่ยเราจะได้สมบัติที่ดีที่วิเศษที่สุดติดตัวไปสมบัตินี้ไม่มีวันสูญหายไปไหนเลยเราจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นความจริงของโลกเราเข้าใจคนอื่นด้วยนะเข้าใจตัวเองแล้วเราก็เข้าใจคนอื่นอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกอไปฝึกเอาอนะ